คำว่าบารมีเต็มเปี่ยมก็คือมีการฝึกฝนตัวเองเนี่ยนะมีการอ บ, บรมเพราะว่าบารมีทั้งสิบเขาเรียกว่าภาวิตัตาเป็นธรรมที่อ บ, บรมจิตกล่อมกลาวจิตของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะให้สมบูรณ์บริบูรณ์อย่างเต็มที่เพราะนั้นอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะตอนที่พระองค์พระเป็นพระโพธิสัตว์เมื่อพบเห็นพระพุทธเจ้าท่านจึงทุ่มเทในการทําบุญอย่างเต็มที่เนี่ยนะเพราะว่า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 พยากรพยากรพระโพธิสัตว์ว่าอีกแสนกับนับแต่นี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระตถาคตออกอภินิสกรมออกบวชจากกรุงกบิลพัทที่น่ารื่นรมตั้งความเพียรทำทุกข์กิริยาหกปีว่างนั้นพระตถาคตประทับนั่งนักโคนต้นอชปาระนิคโครรับข้าวมาุปายาสนะที่นั้นแล้วเสร็จไปยังแม่น้ำเนรัญชา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 โคพระต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าต้นอัสถอะอัคราอุปถากชื่อว่าจิตตะและหัตถะอัลวกะอัคราอุปถายิกาชื่อว่านันทมหาตาและอุตตราพระโคดมผู้มียศพระองค์นั้นจกมีพระชนมายุร้อยปีของเราผ่านมา2500กว่าปีก็อายุไขก็โลดลงมานะ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 นะถ้าท่านเจอกันถนะ้ท่านไม่ได้บอกเราอะนะหม่นโลกธาตุทั้งเทวโลกก็พากันโหร้องปรบมือหัวร้อร่าเริงประคองอัญชลีนอบน้อมกล่าวว่าถ้าหากว่าพวกเราพลาดคำสอนของพระโลกกนาพระนามว่าปทุปมุตระพระองค์นี้ไซในอนาคตการพวกเราก็จะขออยู่ต่อหน้าท่านผู้นี้แหละคือพระสมณโคดมพระองค์นี้แหละของเรานี้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 ฉันใดพระโพธิสัตว์ทั้งหลายพอรู้ว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนแล้วก็อีกไม่นานสักเท่าไหร่ก็เร่งสร้างความเพียรในการให้ทานรักษาศีลเจริญเนธธรรมะอบรมปัญญา น, นะเจริญวิริยะมีขันติมีสัจจะอธิษฐานประกอบไปด้วยเมตตาเจริญอุเบกขาอย่างไพยบูญยิ่งยิ่งขึ้นไปฉะนั้นครั้งนั้น น, นะมีศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นีแหละดีรถีศูนพัน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 สแสวงหาประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงทรงตั้งเดียวถีที่ประชุมกันทั้งหมดไว้ในสินห้านะเปลี่ยนลัทธิให้มานับถือสินห้าได้หมดเลยศาสนาของพระผู้มีพระพาคเจ้าพระองค์นั้นไม่วุ่นวายอย่างนี้ว่างเปล่าจากเดียวถีทั้งหลายงดงามด้วยผ้าอรหันท์ทั้งหลายผู้ชำนาญผู้คงที่นะผ้าอรหันท์ทั้งหลายชำนาญในวัดศีรทั้งห้าในพร ะ, ะสมาบัติทั้งหลาย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 มีพระสนมนารีเนี่ยนะหญิงฟ้อนราที่แต่งกายงามจำนวนสี่หมื่นสามพันนางมีอัคราเหสีพระนามว่าพาาระนางวัสุลทัตตาพระโอรสขนานนามว่าพระอุตระพระผู้เป็นยอดบุรุษทรงเห็นนิมิตสี่เสด็จออกอภินศสกลด้วยปราศาส ต, ตั้งความเพียรเจดวันโอ้พรองก็เเก่งมากเลยนะรวบรวมโพธิปักฐานเจ็ดวันเนี่ยนะมีบุญมาก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 ต้นสละละเนี่ยนะต้นช้างนาวอักขระอุปถากชื่อว่าอมิตะและพระติสสะอักขระอุปถายิกาชื่อว่าหัตถาและกสุ จ, จิตตาพระมหาโมนีสูงห้าสบดอกมีพระลักษณะอันประเสริฐสสิบสองประการเช่นกับรูปปฏิมาทอง พระรัสมีแห่งพระสรีระแผ่ไป12บสองยอดโดยรอบเรือนยอดบานประตูฝาต้นไม้กองศิลาคือภูเขาปิดกั้นพระรัสมีนั้นไม่ได้ในยุคนั้นมนุษย์มีอายุแสนปีพระปทุมุตระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงมีพระชนยืนถึงเพียงนั้นย่อมยังหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามโอคะสงสารพระองค์ทั้งพระสาวกยังชนเป็นอันมากให้ข้ามแล้ว ตัดความสงสัยทุกอย่างก็ดับขันธ์ปรินิพานเหมือนกงไฟลุกโพลงแล้วก็ดับไปฉะนั้นพระปทุมพระปทุมุตระชินเจ้าปรินิพานนวิหารนันทารามสถูปเจดีย์อันประเส ร, ริฐของพระองค์ณที่นั้นสูงสิบสองโยชนะันก็มาดูข้อความในมัทรัดะวิลาสีอัตถกถาพุทธวงศ์ปทุมมุตระที่สิบบอกว่า ศาสนาของพระนารถพุทธเจ้าเป็นไปได้ 90,000 ื่นปีก็อันตรธานนะถ้าโดยอายุไขแล้วศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้มีพระชนมายุยืนนั้นตั้งอยู่ไม่นานนะก็ะมีการสืบทอดกัน23รุ่นก็หมดละอย่างมากนะสองสารุ่นก็หมดแล้ ว, นะ 2, แ, ลวแต่พระพุทธเจ้าของเราจะตั้งอยู่ตั้งแต่ยี่สิบรุ่นมาแล้วเนี่ยนะสารุ่นมาแล้ ว, นะลวต่อไปถ้ายุคร้อปีทั้งทุกคนต่อๆๆก็นั่นแหละเท่าไรห้าสิรุ่นเนะี่ยนะเยอะมาก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 ในกัปหนึ่งนับถอยหลังนับจากกัปนี้ถอยหลังไปแสนกัปมีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งผู้ทรงพิชิตมารปรงภาระมีพระเมรุเป็นสาระไม่มีสังสารวัตรมีสัตว์เป็นสาระยอดเยี่ยมเหนือโลกทั้งปวงว่าพระองค์มีพระนามว่าปทุมุตระอุบัติขึ้นในโลกพระพิชิตมารห้า แ, แล้วพิชิตแล้ ว, วชนะในชนะมารทั้งห้ากิเลสมาร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 ด้วยเหตุนั้นในวันเฉลิมพระนามของพระกุมารพระประยุระยาทั้งหลายจึงเฉลิมพระนามว่าปทุมมุตระกุมารพระกุมารพระองค์นั้นทรงครองคารวะาวิสัยหมื่นปีนนนหมื่นปีแสดงว่าเกิดในยุคที่มนุษย์อายุมากเป็นแสนปีพระองค์มีปราศาสตร์สามหลังเหมาะแก่ฤดูทั้งสชื่อว่านราวานะณะยสวหณนะและว่าวศวัดดีมีพระสนมนารีประมาณ แสนสองหมื่นนางมีพระนางวสุทาตาเทวีเป็นประมุขบางคนบอกโอ้ยสนมนาเรียอะไรจะมากมายขนาดนี้ก็ดูบริษัทบางบริษัทคนก็ตั้งมากมายใช่ไหมบริษัทนั้นก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าอะไรสักหน่อยก็ยังมีบริวารตั้งเยอะแยะเนี่ยนะเราก็ไม่เห็นว่าแปลกอะไรการที่มีบริวารมากมายก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกอะไรเพราะบริษัททั่วๆไปธรรมดาเนี่ยก็มีพนักงานเป็นหลายหมื่นนะวะบอกบางบริษัทนี่อย่าว่ามีพนักงานหลายหมื่นนะปลดทิงง้ง2 0 0 0 0ือย่างเงี้ยนะ ปลดพนักงานทีสองหมื 20, คนเนี่ยแสดงว่าพนักงานมากขนาดไหนนั่นบริษัทเหล่านั้นก็ไม่ใช่พุทธบริษัทซะหน่อยก็ยังมีบริวารมากขนาดนัน้นนี่ก็พระองค์ผู้สร้างบารมีมาขนาดนี้ก็มีเอ่อเรียกอะไรไหมีผู้ที่ร่วมบุญกันไม่ใช่น้อยที่ยินดีอนุมโมทนานะชื่นชมพระองค์นะเมื่อพระอุตตรากุมารผู้ยอดเยี่ยม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 พร้อมกับผู้บวชเหล่านั้นในวันวิสาขบาูรมีวันเพ็ญเดือน6กพระองค์ก็สเสวยเข้ามาทุ ป, ปายญาติที่ทิดารุจานันทเษถีเมืองอุเชนีนิคมเนี่ยถวายแล้วพระองค์พักกลางพักอยู่ในช่วงกลางวันเนี่ยนะเข้าสมาบัติเป็นต้นนะสารวันเวลาเย็นก็รับญา8กแามที่สุมิตาอาชีวกถวายสเสด็จเข้าไปยังโรพพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ชื่อว่าสรารละต้นช้างนาว พรงทำประทักษิณโพพึกนั้นทรงล่าสันทัดย่ากว้างสามสิบแปดศอกทรงนั่งขัดสมาธิอธิษฐานความเพียรมีองค์สี่กำจัดกองกำลังมารพร้อมทั้งตัวมาปรปฐมยามแห่งราตรีระลึกชาติได้มัชิมยามแห่งราตรีก็ชำระทิพจักสุให้บริสุทธิยามที่สามพิจารณาปัจจัยาการโดยการออกจาก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 ได้ทราบว่าครั้งนั้นฝนดอกประทุมก็ตกลงมาประหนึ่งประทับทั่ว เ, เหมือนกับประดับทั่วทั้งภายในหมื่นจักรวาล น, นะทุกอย่างเนี่ยกลายเป็นดอกบัวไปหมดเลยฝนดอกบัวก็ตกลงลงมาเนี่ยนะก็ะแสดงว่าทําบุญด้วยดอกบัวไว้มากนะพระพุทธเจ้าเนี่ยมีพระนามตามดอกบัวเลยนะเพราะแสดงว่ามีปกติทาบุญด้วยดอกบัวเนี่ยนะบูชาพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนก่อ น, อนไว้ด้วยดอกบัวเป็นจานวนมาก